เรามันจับประเด็นจับจุดเล็กๆเป็นประกายแล้วทาให้เรารู้ที่ไปที่มาของตัณหาเอตัณหาเวลามันจะเกิดมันก็จะเกิดอย่างนี้มันมันเมื่อมันเมื่อมันตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่อย่างนี้เมื่อมันจะดับไปมันก็ดับไปอย่างนี <To> ้ทำให้เรารู้เท่าทันทำให้เรารู้ตามันได้ถ้าเราไม่ศึกษาอยู่อย่างนี้ทำไ้เราจะรู้เท่ารู้ทันเรารู้ไม่เท่ารู้ไม่ทัน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 เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติของเราเป็นไอนกินรักกรรมไอกินวัดทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนพย่าตั้งสติอยู่นั้นแหละตั้งสติเพื่อกำหนดจดจ่อจับเอาเจ้าตัวตัณหาเนี่ยที่มันจะบดึงจิตของเราเป็นใช้วิธีนี้เป็นวิธีต่อ ก, กอ่อตามหลักมหาสติปัฏฐานทําจนเชื่องจนชินจนจนิตของเรามีมีํหลังเป็นมหาสติ เอาสติเป็นพื้นเอาสติเป็นบาตเอาสติเป็นฐานเป็นอุปกรณ์ชั้นเยี่ยมที่พุตตยธรรมสอนมาให้เรามากำกับจิตของเราจะภาวนาบทใดวิธีใดก็ตามขึ้นอยู่กับสติขึ้นอยู่กับ ส, สัมปชัญญะนี่แหละสัพุโ ท, ทโธพุทโธจะธรมโมธรมโมจะสังโฆสังโฆจะพองเนยุบเนอจะอะไรจกสัมมาอรหัง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 ตัญหามันมายืนร่ำทำงานในหน้าที่ของมัเนี่ยถ้าตัญหามันยืนร่ำทำงานในหน้าที่ของมัหนึ่งไม่ยินดีก็ต้องกินร้ายสองไม่ยินร้ายก็ต้องยินดีบางทีม erm ันโมแตงมันโมแตเซอร์มันไม่ยินดีมันไม่ยินร้ายมันเฉยอยู่แต่มันเฉยพร้อมจะเอียงไปเพื่อยินดีมันเฉยเพื่อจะเอียงไปพร้อมยินร้ายนี่คือปัหาเกิด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 โรออยู่กับอารมณ์ที่ชัดเจนที่สุดแค่ครั้งละหนึ่งอารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งสติของเราเต็มแปร่ร้อยเปเซ็นมีสติกำลังจดจ่อเต็มแพร่หนึ่งเดียวจังอื่นมันถึงเกิดไม่ได้สัณหาราคะอะไรอิจฉาเสียพยาบาลอะไรจะแทะเข้ามาไม่ได้ตัณหาเกิดไม่ได้ที่คือวิธีการที่เราทำเพื่อ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 ปัจมานาปัจตินิพพีสมานานิพพีสติเขาจะมาทำปัยยานเอาไว้ละไว้ละไว้เก้ารอเก้าเนี่ยเขาเรียกปัยยานวิธีทำปัยยานเกี่ยวเรื่องสมุทัยกับมีโรธสองอยางนนี่มาทำปัยยานเอาไว้ละไว้ในฐานที่ว่าเราเข้าใจแต่ที่เราไม่พาละพาสวดหมดเลยสวดจนมันจได้คล่อง ใคหัวดีเนี่ยส่วนรอบเดียวจวยําได้เกือบหมดแล้วมันก็เปลี่ยนเปนหัวขอนิ่ง ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆเวลามันเกิดเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่เล็กที่ที่กาที่ให่อุปัจฌมานาปัจจติต์ังอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ตาหูจมูกเล็กกายใหญ่นิวีสมานานิสตินี่คือบทบทบทสมุ ท, ทยัย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 บางคนคนถอยชอบเอาของได้เปลียบเสียเปรี่ยนอย่างนี้ไปใช้ในทางที่ผิดคนถอยชอบสวมรอยตีฆ่าที่พุทธเจ้ า, าสอนมาในทางผิดๆเอ้ยท่า น, นให้ว่ากราวันได้บอกัะเตือนกันได้ไม่พอใจมันโดนฝ่ายใส่เลยพระพุทธเจ้าท่านได้ว่าใ่ห้ว่าท่านให้ว่ า, า, วาด้วยการตั้งใจทำด้วยเมตตา